นี่ก็ยังเถราคาถาอยู่นะสักที่มาลุกอ่มาลงกระยะปุดซึ่งเราเคยเรียนกันครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เรียนศีลนิเทศนศี ล, น, ศลนิเทศก็ว่าไปครั้งหนึ่งที่วัดบ้านปิง ย, ยังจาได้นี่ก็มาขึ้นไหวอรอบหนึ่งเนีหมอก็แกว่าเพื่อนเขาไปตัดต่อเรื่องศีลมาเลยเนะไปจำอะไรได้บ้าง <c oughs> ในคาถ า, ามาลุงกะยะปุตตะเทระคาถาที่ห้าเนี่ยนะเล่มห้าสิบสามนะกล่าวว่าในสูตรนี้กล่าวถึงตอนที่ท่านเป็นปุตุชนท่านไปขอกำมาฐานจากพระพุทธเจ้าใช่ ที่จริงพระมาลุงกะยะนี้ท่านนับเนื่องในอสีติมหาสาวกนะนับเนื่องในมหาสาวกผู้ใหญ่หนึ่งใน80สิมันเนีในคราวที่ท่านปุตุชนเนี่ยนะเมื่อพระศาสดาผู้อันพระเทระอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระองค์ขอวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยย่อพระองค์ก็เลยแสดงธรรมให้ฟังโดยย่อนี่ย ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันนะว่าจะดูก่อนมาลงกระยะบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงนะรูปเหล่านั้นใดที่พึงรู้แจ้งทางจักสุทวานเนี่ยนะคือตัวสีก่อนถ้าสีอันนั้นที่ไม่เราไม่เห็นเลยสมุทามีเพชรสักเม็ดหนึ่งเข้าคำปั้นอยู่ขั้วโลกเหนืออย่างเงี้นะ mm hmm. เกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยทำไมก็ได้ยินด้วยไม่เห็นด้วย ทั้งไม่เคยเห็นและไม่ได้เห็นรูปนั้นเลยหนึ่งไม่เคยเห็นและจักไม่เห็นจักไม่ได้เห็นสีอันนั้นด้วยนะคือสรุปว่าในการสามเนี่ยไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสีสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นะเป็นสีมังนั้นแต่แต่ว่าไม่มีโอกาสเลยแล้วก็ไม่เราเองก็ไม่ได้สัมคิดว่าเออเราเนี่ยไม่ได้เห็นไม่พึงเห็นจักไม่ได้เห็นนี่นะเธอจะมีความรักใคร่ความพอใจในรูปนั้นหรือ จะมีไหมไ ม, มีเขาเลยนะหรือบอกว่โาโหจักแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิน้อย่อยเสียงเพราะมากนะเราก็อ่า น, อ, านอ่านแว่วๆมานะ <c oughs> เขาว่านึกอยากเห็นไหมหรือเ ค, เคยเห็นมาแล้วหรือไม่เคยเห็นหรือคิดจะเห็นอะไรกันนะ <c oughs> คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาเลยเนี่ยนะเราจะไปเดือดร้อนอะไรไหมในในสิ่งนั้นนะไม่มีบอกงั้นเถอะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะอะไรความกําหนัดความพอใจเนี่ยจะไม่ไปติดไปข้องในสีอันนั้นเลย เสียงเหล่าใดที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นรสโพธาพะที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าธรรมอารมณ์ทั้งหลายใดเนี่ยที่จะพึงรู้แจ้งทางใดเธอยังไม่รู้แจ้งแล้วทั้งไม่เคยรู้แจ้งเธอไม่รู้แจ้งธรรมะเหล่านั้นเราก็ไม่พึงรู้แจ้งธรรมะเหล่านั้นว่ามีอยู่คือสมมติว่าเรื่องราวเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งะนะ หรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยรับรู้ไม่เคยได้ยินได้ทราบไม่เคยรับฟังไม่เคยมีส่วนรับรู้อะไรเลยเนี่ยนะถามว่าจะมีความพอใจความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นไหมไม่มีเลยนะกับสีที่เราไม่เคยเห็นเสียงที่เราไม่เคยฟังกลิ่นที่เราไม่เคยรับรู้รสที่ไม่เคยรับทราบโพธาภะที่ไม่เคยรับต้องเรื่องราวที่ไม่เคยเอามาอยู่ในความคิดเลยนะถามว่าเราจะไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นนั้นหม ก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะสมมติถ้าต้นไม้ที่สวนทู้การเนี่ยนะมันเกิดรากเน่าไปหนึ่งรากอะ่ะที่ไม่เคยไปเห็นมาดูอะไรเลยนะทั้งมันเน่าอยู่ผู้การก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรนะ <S <S ก็ไม่ได้ไปเห็นนี่แล้วเพราะะฉนั้นจึงไม่ได้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือไม่คิดว่าจะเห็นหรือต้องเห็นเนี่ยนะสีเสียงกลิ่นรสอารมณ์ทุกชนิดอะ่ะทั้ง6อย่างเนี่ยนะเราก็จะไม่ไปเสียใจไปเศร้าใจเราจะไม่มีความพอใจใน วัตถุอ น, นั้นเลย <c oughs> และพระองค์ก็แสดงต่อไปว่าดูก่อนมาลุงกะยะบุตรก็บรรดาธรรมะทั้งหลายที่เธอได้เห็นได้ฟังได้ทราบและได้รู้แจง้งในที่นี้จักเป็นประมาณแต่เห็นในรูปที่ได้เห็นนะให้เห็นเนี่ยเป็นประมาณแต่เห็นนะาจักเป็นประมาณเพียงได้าจักเป็นประมาณว่าได้ฟังในเสียงที่ได้ฟังจักเป็นประมาณเพียงทราบ ในอารมณ์ที่ได้ทราบเนี่ยนะคือจากประมาณว่าเห็นจากประมาณว่าฟังจากประมาณว่าทราบจากประมาณว่ารู้แจ้งเนี่ยในในอารมณ์หกนะคือจากให้เป็นประมาณว่าเห็นจากให้เป็นประมาณว่าได้ยินจากเป็นประมาณว่าทราบจากเป็นประมาณว่ารู้แจ้งคือสีเนี่ยนับหนึ่งใช่ไหมเสียงก็ฟังจากเป็นประมาณว่าฟังถ้ากลิ่นรสโพธภาษจากเป็นประมาณว่า ทราบส่วนอารมณ์ที่รู้ทางใจนี้เป็นจักเป็นประมาณว่ารู้แจ้งจริงนะฟังแค่นี้คนที่ทำปริญญามาดีนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยนะฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไมกุมชูเข้าใจเลยพยักหนาแล้วจะว่าดิ <c oughs> เข้าใจว่ายังไงในนั้นอันนี้นี่หมายถึง <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้อนนั้นอ่าที่นั้นพูดไปแล้วเอาใหม่ละ วาระหมายว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นจากเป็นประมาณว่าเห็ น, น, น, นคือทาใจให้มันได้เท่านั้นไม่ไปเดือดร้อนกับเหมือนกับไอ้ที่เราไม่เคยเห็นนะสำนวนว่าไอ้เห็นกับไม่เห็นเนี่ยมันมีค่าเท่ากันในในด้านว่าไม่มีอกุศลเกิดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าบื่อเท่าเดิมเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าคือเห็นกับไม่เห็นเนี่ยกิเลสไม่เกิดในอารมณ์นั้น เหมือนกันเนี่ยนะเอาเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ท่านให้เป็นประมาณว่าได้เห็นให้เป็นประมาณว่าได้ยินให้เป็นประมาณว่าทราบให้เป็นประมาณว่ารู้แจ้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยสีเนี่ยหยุดอยู่แค่สีเนี่ยสักแต่ว่าสีสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าโพธิภะ ไอ้สักแต่ว่ารถนี่ค่อยอยังชั่วนะอย่าบอกว่าสัตว์แต่ว่ากินก็เดือดร้อนแน่เสียหมดแน่ครับนี่ผมเคยมีประสบการณ์อย่างนะแล้วผมยังมาแปลกใจเลยครับคือผมมาเชียงใหม่ใหม่ๆนีแล้วก็ผมผมผมมีที่ดินอยู่แปลงอยู่ริมปิงแ ถ, แถวแถวแถวเจดีเหลี่ยมเนี่ยติึงตึงใหญ่มากเลยแต่งซ ส, สวยเลยนะะแล้วก็ผม มีคนมาต้องการจะซื้อต่อดีใจมันก็นเดินนะฮะทำได้สวยเลยแล้วผมไปกรุงเทพแล้วน้ํามันท่วมครับน้ําก็โอ้ห้องน้ำท่วมเป็นเอวีเลยนะะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแล้วพอผมก็กลับมาฮะกลับมักก็ไม่มีน้ําเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะฮะผมนึกว่าถ้าหากว่าผมอยู่ในภาวะที่เห็นจริงๆขนาด น, นั้นเนี่ยนะผมจะโทรมนันรับแต่แค่ไหนนะ <c oughs> เพรเออเหตุการ์ที่ไม่เห็นไม่อะไรเลยนี่ไม่มีโทรมานัดการงะไยเลยไม่มีอะไรเลยอแปลว่าแต่ถ้าเห็นก็อาจจะนึกอะไรบ้างอยู่เหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าให้เป็นประมาณว่าว่าว่าเห็นว่ารู้นี่นะก็หมายความว่าเอาเอาตรงนั้นเป็นมาตรฐานถ้ามันท่วมจริงๆต้องทําให้ได้อย่างนั้นแปลว่าทําให้ได้ เวทนาหรือความรู้สึกนึกคิดให้มันเหมือนกับตอนที่มันไม่ท่วมนะหมายความว่าท่วมกับไม่ท่วมเนี่ยนะความความคิดมันเท่ากัน น, นะก็เอาแบบพระเถระรูปหนึ่งนะท่านก็บอกว่าเอาเอาแบบ น, นี่นะแม่บ้านท่านมาเนะี่ยคือท่านมาบวชและวสังฆะพระชื่อพระสังฆามัชย์ัน <C oughs> ก็แม่บ้านนี่อุ้มลูกมานะ บอกเน่ยท่านสมณะว่าไงท่านจะต้องมาเลี้ยงฉันก็ลูกนะท่านก็นั่งเฉยเนี่ยนะเสร็จแล้วเออนี่ลูกท่านก็เอาเด็กเนี่ยวางไว้ตรงนั้นห ล, ละแล้วนางก็เดินไปแล้วก็ไปแอ บ, บๆดูไอ้พระจะทํายังไงไะท่านก็นั่งเฉยอีกนั่นแหละนะเอ้พระนี่แต่ไม่สนใจแม้กระทั่งลูกไว้ยเสร็จแล้วก็มาอุ้มลูกแล้วก็เดินจากไปนะ <c oughs> เสร็จแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสว่าพระสังฆามชีเนี่ยว่าตอนที่แม่บ้าน อุ้มบุตรเดินมาเนี่ยนะกัดตอนจากไปความรู้สึกท่านเหมือนเดิมหมดเลยอันนั้เรียกว่าคงที่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นท่าระหันแล้วนะกระทาใจได้อยู่แล้วเพราะไม่มีอภิชากับโทมนัทเลยอันนี้จริงแล้วผู้ที่เจริญมรณานุสติมากๆนี่ก็ทําใจได้อยู่แล้วอย่างที่ครอบครัวหนึ่งเขามีลูกตายนะ แม่ก็บอกว่าอ้าวตอนเข้ามาก็ไม่ได้เชิญเข้ามาเนี่ยตอนเข้าไปเขาก็ไม่ได้มาลาอะไรซะหน่อยเห็นต้องไปเสียใจยอะไรเลยแบบนั้นนะลูกเกิดมาก็ไม่ได้ชวนเข้ามาเกิดแล้วก็ตายเขาก็ไม่ได้มาลาเลยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องเสียใจยอะไรอันนี้ทบทวนนะให้เห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเป็นประมาณว่าได้ยินเป็นประมาณว่าทราบเป็นประมาณว่ารู้แจ้ง <c oughs> ดูก่อนมาลุงกัยบุตรเพราะเหตุที่บรรดาธรรมะที่เธอเห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ทราบแล้วและพึงรู้แจ้งจักเป็นแต่ประมาณว่าได้รู้แจ้งขอไปจักเป็นประมาณว่าเห็นในรูปที่เห็นแล้วจักเป็นประมาณว่าฟังในเสียงที่ได้ฟังแล้วจักเป็นประมาณว่าทราบในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วจักเป็นประมาณว่ารู้แจ้งในธรรมะที่ได้รู้แจ้งแล้วเนี่ยให้เอาให้ถือเอาว่าประมาณนะ ดูก่อนมาลุงกัยบุตรเพราะเหตุนั้นเธอก็จะไม่มีด้วยสิ่งนั้นคือเธอก็ไม่ไม่เข้าไปมีในสิ่งนั้นดูก่อนมาลุงกัยบุตรเพราะเหตุที่เธอไม่มีด้วยสิ่งนั้นเพราะเหตุนั้นเธอก็จะไม่มีในสิ่งนั้นดูก่อนมามาลุงกัยบุตรเพราะเหตุที่เธอไม่มีในสิ่งนั้นเธอก็จะไม่มีในโลกนี้คือไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างในโลกทั้งสอง นี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุก <c oughs> ฟังแล้วเข้าใจเลยนะ <c oughs> ก็ฟังมารอบสองแล้วนะนายแกสอนเป็นยังไงทำหน้าอย่างนั้นแปลว่าอะไร <c oughs> สูนไปเลย <c oughs> เอาเอาไงกันเนะี่ย ศูนก็ไม่ใช่ไม่ศูนก็ไม่ใช่ทำไมนะรูปเสียงนนะกับกลินรสโทธทัพภะกับธรรมะนิยามของธรรมอารมณ์อะเว้นอารมณ์ที่เหลือซะเว้นที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าธรรมอารมณ์หมดเลย ในรูปอารม์นี้ใช้หมายถึงการต้องเห็นอ่ะนะสัทธารมต้องฟังสัทธารมก็ทราบจริงก็น่าจะหมายถึงการสัมผัสเหมือนนพวกกลิ่นรสโพธะต้องสัมผัสจริงๆจึงจะรู้นั่นก็คำนิยามว่าทราบนี้แปลว่าน่าจะหมายถึงสัมผัสเลยเห็นไหมนั่นนะสัมผัสตากหมายถึงสัมผัสเลยส่วนธรรมารมณ์นี่คือว่ารู้แจ้ง ะฉั้นอคําว่าเห็นเนี่ยหมายถึงสีปัญโองบอกว่าให้เป็นประมาณจากว่าให้เป็นประมาณว่าเห็นอันนะสิ่งที่ถูกเห็นหมายถึงสีใช่ไหมตัวเห็นหมายถึงอะไรจากขูวิญญาณเป็นเป็นตัวเห็นทีนี้การที่จะเห็นได้อาศัยอะไร อาศัยจักขุเนี่ยนะอันนี้ก็ทวารที่เหลือก็นัยยะเดียวกันส่วนทวารใจเนี่ยคือมโนเนี่ยนะมโนวิญญาณ น, น ะ, อะตอนแรกของสูตรนี้กล่าวถึงว่าถ้าสีไหนที่ไม่เคยเห็น เนี่ยนะไม่เคยเห็นเลยไม่ใช่กาลังเห็นเนี่ยนะไม่ใช่จักเนี่ยนะจักนี้ประกาศถึงความเป็นอนาคต น, นะนกลังก็เน้นปัจจุบันเคยก็อดีตน ะ, ะสีที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่กาลังเห็นไม่ใช่จักเห็น คือสรุปว่าไม่ได้ไม่เคยเห็นสีแบบนั้นเลยมีนายส ม, มุตินายคอรัครังเหรอเนี้ยนะคนชื่อนี้ไม่มีอยู่แล้วในโลกนะเนี่ยเราก็ไม่เคยคลุกคลีไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเลยไม่ใช่กําลังเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่คิดจะเกี่ยวข้องด้วยเลยอ่ะเนี่ย น, นะถามว่าเราจะไปเดือดรอจะไปดีใจอะไรกับนายคอรัครังได้ไหมหรือจะไปเสียใจอะไรกับนายคอรัครังได้ไหมไม่มีพันสีเออ อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเปลี่นรสโภทะพระนะให้เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งให้เอาลักษณะนี้เป็นตัวตั้งอันนี้เอาเป็นอาจารย์ว่าเออเนี่ยวัตถุเนี่ยเราเนี่ยไม่มีกเกเลตกับวัตถุนี้เลยฉันใดเนี่ยนะเมื่ออารมณ์ที่เห็นอ่นนะนะสีที่เห็นเสียงที่ฟังอารมณ์ที่ทราบอารมณ์ที่รู้แจ้งให้เป็นประมาณ่ะเอาตัวนี้เป็นเป็นอาจารย์ เนี่ยนะว่าไม่มีความกำหนัดเหมือนกันคือตัวกิเลสที่เกิดนะคือไม่กำหนัดเหมือนกันแล้วก็ไม่ขัดเคืองเหมือนกันนะไม่ขัดเคืองแล้วก็ไม่ลุ่มหลงนะสรุปว่าไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในอารมณ์อันนั้นเลยเนี่ยนะเรียกว่าเอาอันนี้เป็นตัวอย่าง เพนนั้นเวลาเห็นเนี่ยสมมติเช่นยกตัวอย่างว่าเห็นคุณมุนชูอะทำยังไงจะให้คิดแบบนี้ได้อันนั่นแหละคือข้อปฏิบัตินะทีนี้นถ้าฝึกได้อย่างนี้เนี่ยนะในพระสูตรท่านบอกว่าเธอก็จะไม่มีในสิ่งนั้นอนไหไม่มีในสิ่งนั้นาต้องฝึกคิดเองแหัะ คำว่ามีเป็นยังไงถ้าไปมีในสิ่งนั้นอ่ะแปลว่าอะไรถ้าเข้าใจคำว่ามีมันจึงจะเข้าใจคำว่าไม่มีใช่ไหมถ้าเข้าไปมีในสิ่งนั้นอ่ะนะคือไปมีในสิ่งนั้นคือสิ่งเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าเข้าไปมีนี่เข้าไปมียังไงคุณน้องเข้าไปมีว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราใช่ไหมที่พวกเข้าไปมีอ่ะมันจะเข้าไปมีแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าทำได้แบบนี้ก็จะไม่สำคัญว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตราของเราเนี่ยนะทก็เลยไม่ได้ไปสำคัญว่ามีในสิ่งนั้นก็เลยถือว่าไม่มีในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่มีในสิ่งนั้นเธอก็จะไม่มีในโลกนี้คําว่าไม่มีในโลกนี้อันนี้แปลว่าโลกนี้นะตัวเนี้ยเนะอันนี้ตามเนติปกรณ์ขยายอย่างนั้น ฝั่งนี้เนี่ยเรียกว่าโลกหน้าตัวนี้เนี่ยสับว่าโลกหน้าหมายถึงอารมณ์ส่วนระหว่างโลกทั้งสองหมายถึงวิญญาณคือไม่เข้าไปสำคัญในโลกนี้อ่ะว่าเป็นหนึ่งนะว่าเป็น เราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเพราะนั้นเธอก็จะไม่เข้าไปมีในโลกนี้คือในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ เ, ข, เข้าไปสําคัญในโลกหน้าเลยอ่ะคืออารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าโลกหน้าไอ้โลกหน้าของเราเราจะคิดแต่ชาติหน้าอย่างเดียวนะไม่ใช่คือหมายถึงสิ่งภายนอกที่รับรู้เรียกว่าโลกหน้าก็ไม่เข้าไปสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแล้วก็ไม่สําคัญในระหว่างโลกทั้งสองคือ ตัวรับรู้นะตัวความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดไม่สาคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเพันก็เลยไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าแล้วก็ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองถ้าปฏิบัติได้ตามนี้โดยที่ไม่สาคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอย่างที่กล่าวนะในสามตแหน่งเนี่ยจะทาที่สุดแห่งทุกได้เทนะีนี้ ถ้ามาลงกะยบุตรท่านบอกว่าท่านเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะมองกันดูว่าเราจะเข้าใจเหมือนท่านหรือเปล่าในนี้แสดงว่าองค์ก็บอกว่าเทงปริญญาในรคนี้หมายถึงว่าภายในแล้วก็โรหน้าหมายถึงว่านอกในสูตรนี้เป็นที่เรียกว่าพูดกับพวกกลุ่มเรียกว่าแทบจะอุคติตันยู เพราะฉะนั้นก็บอกว่าใช้คําว่าไม่มีในสิ่งนั้นก็ถือว่ารู้กันเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้บอกโอ้โหต้องมาปริญญาต้องโอ้คํานี้เนิ่นช้ามากคือแว่าต้องพูดอะไรมากมายขนาดนั้นนะแค่บอกไม่ต้องไปมีตันหาในพวกนั้นทั้งหมดแหะเนี่ยนะพอแล้วจบแล้วว่างั้นเถอะไปปฏิบัติได้แล้วเราก็โอ้โห ก็คือไม่ไม่เข้าไปสำคัญในอะไรเลยนะวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยไม่เข้าไปสำคัญว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเลยดูทีว่าจะทำยังไงเอาจะอยู่ยังไงเอาอันนั้นอันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติซึ่งจริงเลยนึกจะไม่ออกเลยเวลายังเข้าใจยากเลยนะมาหลายรอบแล้ว เนี่ยพอแบ่งโลกนี้ยังอาจจะทําให้เข้าใจขึ้นในเนี่ยรักรบอกไว้เลยใช่ไหมเชิญพามถ้าโลกนี้ก็หมายความว่าอายตนะภายในโลกหน้าก็อายตนะภายนอกระหว่างโลกทั้งสองก็คือเนี่ยการจิตที่เห็นน่นนะพวกจิตเห็นเป็นต้นนั่นแหละพวกวิญญาณหกเนี่ยเรียกว่าระวังโลกทั้งสองคือพวกที่สําคัญว่าเป็นอัตตาไนงะบางกลุ่มเนี่ยมันสําคัญอายตนะภายในว่าเป็นอัตตา บางพวกสาคัญว่าอายตนะภายนอกนี้เป็นอาตาัตราบางทีมพวกบางสําคัญไอระหว่างนี้ไอระหว่างนี่เป็นอัตราเขาว่าก็ไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเรานี่ยนะกับพญสัตว์สีหมดเลยในเรื่องนี้กับเรื่องของพายานี่อธิบายเหมือนกันอธิบายแนวเดียวกันเป๊ะหมดนี่ยนะแต่พระพายานี่ใช้คําว่าเธอเพิ่งทำศึกษาว่านนั้นเพิ่มคําว่าศึกษาไม่คำหนึ่ง แต่นี่ก็คือแปลเป็นภาษาเราเราง่ายๆว่าเธอไม่ต้องยึดถืออารมณ์ทั้งมวลอ่ะเนีนน่ะง่ายที่สุดแล้วยอดที่สุดยอดที่สุดถามว่าถ้าจะยึดนี่ยึดว่ายังไงถ้าเราจะยึดนะคือท่านไม่ได้บอกว่าอย่ารับรู้อารมณ์ทั้งมวลฟังให้ดีนะแต่ท่านบอกว่าอย่ายึดอารมณ์ทั้งมลวลเราก็มาคิดดูว่าคนที่เขายึดเขายึดว่ายังไง ยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าอัตตาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเข้าไปยึดไปอย่างนั้นเลยอ่ะสินี่ยตรงกันข้ามกับเที่ยงคืออะไรก็แสดงว่าเข้าไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าบอกว่ามันเป็นสุขก็เข้าไปเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าหากว่ามันงามก็เข้าไปเห็นสิ่งนั้นว่าไม่งามถ้าเป็นอัตถ้าสําคัญว่าเป็นอัตตาก็ไปเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นอนัตตาถ้าขยายเพิ่มสติปัฏฐานนั่นแหละยี่สบเ็ดบาพระเนี่ยมาที่บายสั์นี้ทั้งหมด ะว่าไม่ยึดมั่นเนี่ยนะอุตสาหจะย่อแล้วนะจะพิสดารอีกและทีนี้พระมาลุงกยัย บ, บุตรท่านฟังแล้วท่านเข้าใจเลยว่าเมื <c> ่อ <oughs> บุคคลได้เห็นรูปแล้วมัวใส่ใจถึงรูปนั้นว่าเป็นนิมิตที่น่ารักสติก็หลงลืมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ทั้งยึดมั่นในรูปนั้นด้วยเวทนาไม่ใช่น้อยซึ่งมีรูปเป็นแดนเกิด ย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตข้องผู้นั้นให้เดือดร้อนความทุกย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้นผู้มัวคํานึงถึงรูปอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานพอท่านฟังอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้จบนะท่านเข้าใจแบบนี้นนะอันนี้แบบวัะนะว่าท่านมองเห็นเลยว่าสังสารวัฏมันเป็นไปแบบนี้นนะ ตัวอีกครั้งนึงว่าบุคคลเมื่อได้เห็นรูปเนี่ยนะก็มัวใส่ใจถึงรูปนั้นว่าเป็นนิมิต ท, ที่น่ารักสติก็หลงลืมอันนี้นี่ปกติของสัตว์ทั่วไปใช่ไหมไปเห็นเออชื่นชมในอารมณ์นั้นไปใส่ใจในอารมณ์นั้นว่าเป็นสุภาพนิมิตการที่ไปไปเห็นโดยสุภาพนิมิตในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยให้รู้ว่าขัดกับกายานุปัสนาสติปทานนั้งเท่าไหร่กี่บาพระละขัดกับกายานุปัสนาสติปทานทันทีเลย14บาาัีพระใช่ไหม ถ้าเข้าไปเห็นว่า ง, งามนะในในในอารมณ์นั้นนะขัดกับกายาสิบสี่บพะทันทีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าสติเขาหลงลืมไปขนาดไหนนะหายไปเลยสิบสี่บพะคิดดูสมมติเราเห็นผู้การปั๊บนึกโอ้โหหล่อจังเนี้ยนะสมมติสิบสี่บพะนี่หายหมดเลยอะ่ะน่าจะเหลือบ้างงนะั้นตั้งแต่อาณาปานสติจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงนะพระพุทธเจ้าแสดงตั้งสิบสี่บพะนะไม่เหลือเลยมันหลงลืมขนาดนั้นน่ะ เพอะไรเพราะไปสายใจนิมิตนั้นว่าน่ารักเนี่ยนะเรียกว่าสุภาษณิมิตนะเข้าใจว่าน่ารักเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นใช่ไหมทั้งยึดมั่นในรูปนั้นด้วยคือตำหนิมันบอกว่าเข้าไปกลืนกินอารมณ์นั้นไว้อย่างเบ็ดเสร็จเสร็จสับหมดเลยนะเข้าไปคิดแบบคนทั่วไปคิดอ่ะนั่นแหะเพราะฉะนั้นก็ เลยไปสำคัญว่าแหมรูปเนี่ยสุกเนาะสุกเนาะมาคือได้ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นแล้วก็ก็เหมือนกับคนดูละครเน่ยนะดูละครที่ตัวเองชอบอ่ะนะอะไรที่มันชอบอ่ะนะมันเพลินไปเลยอ่ะสองชั่วโมงแป๊บเดียวเนาะก็มาฟังบางอย่างนะสองชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเลยนะดูเอาสองชั่วโมงแล้วเหรอแป๊บเดียวจริงๆริอ่ะนะมันเพลินไปกับเรื่องนั้นเลยอะ่ะก็ว่าเพราะไปสำคัญไอการเพลิดเพลินนั่นแหละถือว่าคนสำคัญในสิ่งนั้นว่าสุกแล้ว นี่นะพันเวทนาไม่ใช่น้อยซึ่งมีรูปนั้นเป็นแดนเกิดย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้นแก่ผู้นั้นหมายถึงว่าถ้าถ้าคิดว่ารูปนั้นมะดีใช่ไหมเราก็ซ่องเสพรูปนั้นมากๆเพื่อให้เกิดอะไรเกิดเวทนานะเพราะฉะนั้นพยายามให้มีภาษะกับสิ่งนั้นเอาไวมา้มากๆมากๆเพื่อสร้างอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าภาษาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาก็พยายามสัมผัสกับ อารมณ์นั้นเข้าไว้ให้มากะนะนะถ้าสีก็ใช้ตาเนี่ยสัมผัสเอาไว้ให้มากเอาไว้ให้มากเพื่อเพื่อจะได้เกิดความสุขมากขึ้นะฉะนั้นบางคนเนี่ยสามารถดูอะไรได้นอนเนี่ยนะอย่างพวกดูบางบางคนเขาดูภาพได้ครึ่งค่อหนวันเนี่ยนะดูได้ยังไงกันมาเรากวาดสายตาสามรอบเด็ดเด็จบเรียบร้อยหดแล้วก็อีกว่าไม่เห็นอีกก็ไม่เห็นเป็นรายเนี่ยมาอย่างนั้น มันก็เลยไปเที่ยวที่ไหนมาไม่ค่อยไปติดใจอะไรกับเขาเลยนะโอ้ออย่างงั้นยงนั้นแหละแสดงว่าไม่มีศิละปะเขาบอกกัน <c oughs> ไม่มีศิละปะดูวิวไม่เป็นอ่ะนะหลังเจ้าเขาไปนั่งดูได้ยังไงมัโอ้โหชื่นชมเนี่ยนะเขาเรียกว่าถ้าลวดลายนะเขาวาดกี่ลวดนะมองเห็นหมดเลยทุกลวดลายอะ่ะถ้าดูใบไม้เนี่ยเห็นใ ย, ยทุกใหญเลยอย่างนั้นเน่ยแหมเข้าไปเรียกว่าเข้าถึงในสิ่งนั้นมากแต่เป็นเพลงก็แหมดนตรีทุก ต้องแต่งอะไรเนี่ยนะเข้าถึงหมดเลยอ่ะอันนั้นแหละทั้งหมดเรียกว่าเข้าไปยึดมั่นรูปเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อภาษะเอาไว้ใช่ไหมสนองเวทนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอภิชาและวิหิงสาก็ย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนเนี่ย น, นะอภิชาหมายถึงเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่ใช่ไหมอันนั้นก็อพิชาเกิดเสร็จ แ, แล้วถ้าอารมณ์นั้นมันเปลี่ยนไปอะไรจะเกิด วิเหงวิหิงสาคือโทมนัปเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะรูปเหล่านั้นนั่นแหละมันเปลี่ยนไปอันก็เบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้ให้เดือดร้อนเนี่ยนะก็ถ้าอุปมาเหมือนกับว่าแม่ที่ดูลูกอ่ะนะสมมติว่าไม่ได้ดูด้วยด้วยเมตตาเนี่ยนะสมมติว่าดูชื่นชมว่าลูกเราเนี่ยดีจริงๆริงอ่ะนะวนะ่มีความสุขการดูอีกพักหนึ่งไขมันขึ้นนะนะอะไรจะเกิดขึ้นะนะลูกนะป่วยต่อหน้าต่อตาเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมา ก็เดือดร้อนอีกแล้วใช่ไหมสมมติว่าตอนเห็นลูกมันหัวเราะ น, นะก็ดูยิ้มแย้มมีความสุขกับลูกเป็นที่อีกพักหนึ่งมันร้องให้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแม่ก็เดือดอีกแล้วเนี่ยนะก็ทุกร้อนกับไอ้กั บ, ก, บกับภาพที่ที่มันร้องให้นั่นแหละทั้งอภิชากับวิหิงสา ก, ก็เลยเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อนตอนสมมติว่าตอนที่ลูกมันยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีความสุขใช่ไหมอภิชาก็เกิดตอนที่ลูกมันร้องให้ล่ะ ก็เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะ